อริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อหายติดคือนิพพิธาย่อมคลายออกคือวิราคะเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว ยอมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายรูปปัจจัยบีบคั้นได้คือเป็นทุกเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณปัจจัยบีบคั้นได้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดภิกษุทั้งหลายรูปไม่เป็นตนคือเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เป็นตนเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติด ในสังยุตตนิการคันธวารวักแปลอย่างสำนวนแบบนิพพิธาเท่ากับนายวิราคาเท่ากับพลายกำหนดยอมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดเท่ากับยอมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วโรมอาจา ร, รย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก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 รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เทียงสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นปัจจัยบีบคั้นได้คือเป็นทุกข์สิ่งใดมีปัจจัยบีบคั้นได้สิ่งนั้นไม่เป็นตนคือเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เป็นตนสิ่งนั้นอริยาสาวกพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเรา ไม่ใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดในที่นี้เช่นจากสังยุตตานิายคันทวารวัตรคำว่าไม่ใช่นั่นของเราเป็นต้นนั้นแปลตามแบบว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เป็นตนหากว่ารูปนี้จะเป็นตนแล้วไซรูปก็ต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือความข้องขัดและก็พึงได้ตามประสงค์ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้ขอรูปของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนี้แต่เพราะรูปไม่เป็นอัตตาฉะนั้นรูป จึงเป็นไปเพื่อความค้องขัดและบุคคลก็ไม่ได้ตามความประสงค์ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้ขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้พิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจอย่างไรรูปเทียงหรือไม่เทียงตอบว่าไม่เทียงก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นภาวะบีบคั้น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 รูปอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งไกลทั้งใกล้ภิกษุย่อมมองดูรูปนั้นย่อมพินิษย่อมตรองดูโดยแยกคายเมื่อเธอมองดูพินิษตรองดูโดยแยกคายย่อมปรากฏแต่สิ่งที่ว่างเปล่าหาแก่นสารไม่ได้เลยแก่นสารในรูปจะพึงนี้ได้อย่างไรเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติด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 ภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาโดยแยกคายซึ่งรูปจงเห็นคล้อยตามที่เป็นจริงซึ่งอนิจจตาแห่งรูปเมื่อพิจารณาโดยแยกคายเมื่อเห็นคล้อยตามที่เป็นจริงย่อมหายติดในรูปเพราะสิ้นนันทิก็สิ้นราคะพราะสิ้นราคะก็สิ้นนันทิพราสิ้นนันทิแล้วราคะจิตก็หลุดพน้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยดี พุทธพจน์ทั้งหมดที่ยกมานั้นในส่วนของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็โดยนัยเดียวกันทั้งหมดนะครับ